ขอกราบคารวะพระรัตนตรัยพระพุทธประตรมพระสมะขอคารพบูชาหลวงพ่อคำเขียนก็หลวงพ่กรมก็เพร่นสาตามิตรทุกท่านแล้วก็ริ่มพ่อแม่ชีอัตยมทุทกท่านนะครับทาสบายนะครับ ครอครวเราก็ถุกเช้าทุกเยน็นก็มาสวดมนต์ธรรมะเช้าธรรมะเย็นแล้วก็ทำหน้าที่ว่าทำครัวบ้านหรือว่าเอาปินทบาททำความสะอาดเพ่งกิจวัตร ก็มีประโยชน์นต่อการเจริญชีวิต จ, จิตใจของเราเพราะว่านาทีองเราที่มาวิวปสัสสกตโตนี้ก็เจริญพัฒนาชีวิตพัฒนาชีวิตก็ให้เป็นอาบุกรลม เปลี่ยนไปเป็นอริยะบุกโกลไม่ใช่เป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่เป็นคนธรรมดาธรรมดาให้เป็นพิเศษต้นพัฒนาก็กิจวัตรทุกวันนี้ก็ช่วยพัฒนาจิตของเราได้ ธรรเช้าก็วางก็จะไม่สางก็บอกอันนี้สนทำธรมัว่าเป็นอุบายที่ดีทำให้พัฒนาจิตของเราได้แล้วก็พินตาบาทุกเช้านี่ก็ทำกายว่าทำใจให้พัฒนาได้ แล้วก็มีก า, ารกายวา่าใจให้เรียบร้อยนี่ก็เป็นชีวิตของเราที่พัฒนาได้โดยเจ้าะอพุทธศาสนาก็สอนไตรสิกาศีล ส, สมาธิปัญญานี่เป็นเป็นหลักปฏิบัติ ก็ปฏิบัติเป็นขั้นตอนขั้นตอนสิ่งืออะไรก็กายว่าจะให้เรียบร้อยคือสินไม่ได้พูดถึงจิตใจแต่กายว่าจะไว้ก่อนสมาที่ก็ทำจิตให้พัฒนาให้มั่งกลจิตตั้มมัน่น ไม่กระวังกับวายุนสร้างให้เป็นปกตินี่ก็เป็นสมาธิแล้วก็ปัญญาให้รู้แจง้งก่อนสังขารตั้งหมดตั้งสิ้นให้รู้ทุกตาแล้วก็อ น, นิจจานัตตา ไตรรักให้รู้แจ้งก็ได้แล้วก็หลดพ้นได้แห่งการรักษาศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญแต่รักษาศีลไม่ใช่เพื่อว่าให้ตั ว, ตวเราเป็นคนที่เก่นคนที่ไม่ ได้รักษาสิงไม่แก้มว่าดานี่ไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายของการรักษาสิงการรักษาสิงเพื่อให้สมาธิเกิดขึ้น ง, ง่ายแตงบาเอกสารบายให้จิตมันก็มั่งกรได้ง่ายก็ยเราก็รักษาสิงไว้ก่อน ก็รักษาสิ่งก็มีอ น, นิสงส์ได้มากแต่มายก็ตอนกอนที่จะบวชก็คิดว่าเป็นงาน ร, รักษาสิงก็มันก็ทำให้ของเราไม่มีสละถูกบังคับบวชอัดตอนรักษาก็มันยาก แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ปฏิบัติดูนะรักษาศีลก็ออไม่ใช่ทำให้จิตมันก็มันอิสระมากเพราะว่าเราก็เป็นธาตุของจิตใจถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่ารักษาศีลแล้วก็อ ก็ดีทำให้รู้สึกสระมากเพราะว่ามันก็เป็นวิธีการที่ดีมันทำให้จิตใจก็มันพัฒนาขึ้นได้แล้วก็ต่อไปก็รู้สึกว่าตอนแรกแรกเราก็รักษาแต่ว่าต่อไปก็รู้สึกว่ามันสิ้มันรักษาเราได้ สิ่ง น, นี้มันทำให้เราไม่ได้หลงไปที่อันตรายเราก็อยู่เป็นปลอบไปได้มันจิตใจแตาไมเราก็ไม่ได้ฝึกทนไม่ได้รักษาสิ่มันจิตใจไปนี่ไปน่องก็มันก็มันอันตราย มันทำกายทำวาจาก็อัมผิดพลาดแล้วก็ถูกตำหนิถูกดา่าได้แต่ว่าเราก็รักษาสิงก็สิงก็รักษาเราไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เราก็มีความมั่งคงตัวเองได้ เพราะว่าคนที่รักษาศิงมีศิลธรรมของอื่ น, น, นทุกกองก็ดูแล้วก็มันก็มันมันจมนะไม่ได้ว่าดาตามนิได้ดนะครับในการรักษาศีงไม่ใ่ในกัร น, นิสมแบบนิยันเดียวทำให้จิตเรา ทำให้กายชีวิตของเรามันเรียบง่ายๆไม่ก็มีอะไรมากก็เราก็อยู่ได้ถ้าเราก็เคยจินว่าอยากได้อันนี้ถ้าไม่มีอันนี้ไม่มีอันนั้นก็รู้สึกว่าทุกแต่ว่าเราก็ลอมปฏิบัติดูรักษาสิ่ง แล้วก็อ๋ออันนี้ก็ไม่ต้องมีนี้ก็ไม่ต้องมี ม, ง ม, มีก็ไม่มีก็อยู่ได้สุขได้ไม่ต้อทุกข์อ่าเราก็รู้ด้วยตรงแอนถ้าเราไม่รู้ไม่ทําก็ก็คิดว่าทมนี้ทมนั้นนี้ถ้าไม่มีก็ทุกข์ก็เลยเอาก็ติดกับมันตลอดชีวิต แต่ว่าเราก็รู้ด้วยตรงเองว่านี่ก็ไม่จําเป็นนี่ไม่จํำเป็นมันชีวิตมันเรียบง่ายๆก็ยุ่งซึ้ได้เดินยันเดียวก็ซึ้ได้อยู่กับธรรมชาติก็ซึ้ได้เราก็รู้มันชีวิตที่ง่ายๆ ง, งอนเป็นเบาเนี่ยมันหนักไม่หนัก แล้วก็มันก็โอกาสที่ดีเราก็รู้ตัวเองได้นี่มีสติก็เกิดกึ่งง่ายเพราะว่าแต่ก่อนเราก็กินอยากได้กินนี้กินเน่ากินอะไรอยากกินก็กินแล้วก็มันติดโดยว่ากินทุกเวลาอยากกินก็ไปซื้อของ ที่รานีรนั้นได้ก็ไม่ต้นดูความคิดผอตัวเองเพราะว่าเราก็เป็นเป็นความคิดแล้วก็ทำตามความคิดแต่ว่าการรักษาสิ่งก็ดีโอกาสที่ดีเราก็อ่ก็อยากอ่าซื้อกอม อยากกินตอนเวลาวิการตานตนเยนก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราก็รักษาศีลก็อ่าโอกาสที่ดีเราก็เห็นความคิดได้ว่าเอ้าตัวเองอยากกินแล้วก็อยากไปนี่ไปนั่นอยากกินนี่อยากนี่นั่นไม่เห็นด้วยตรงแอง มันก็จิตใจก็เห็นแจ้นได้อารมณ์หรือว่าเวทนาทุกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีโอกาสที่ได้เห็นไม่ได้เป็นผู้เป็นผู้เป็นนี่ก็มันคิดแล้วก็ไป ซืกอนแล้วก็กินนี่ก็เป็นแล้วไม่มีโอกาสได้ดูได้เห็นความคิดเวทนาทุก์มันกรมของตัววิญญาณของเราสัญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เห็นแต่ว่าเราก็รักษาสิ่งนี้ก็ดีนะความทุกข์ก็เห็นได้ ความทุกทางกายทางใจเวตนาทางกายทางใจนี่ก็เห็นเพราะเราก็รักษาศีลก็เป็นโอกาสที่ดีได้ปฏิบัติมีสติก็เกิดขึ้นตามมาแล้วก็รู้แล้วรู้แล้วก็เห็นแจ่มเป็นปัญญาก็เกิดขึ้นเป็น ว่าเป็นอนิจจาอนัตตาเพราะว่ามันเป็นอาการเราก็ไม่ได้ทําตามแล้วก็เห็นมันแล้วก็ดับไปเมื่อกี้ก็เห็นว่าอยากกินแต่ว่าตอนนี้มันดับไปแล้วว่าเมื่อกี้ก็คิดไปเรื่อยๆอนี่ก็เป็นความคิดก็ดับไป แม่ตานาก็ดับไปเป็นเปลง น, นิจจยนไม่ได้เป็นทาน้าวมมันมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเช่นนัง้งมันก็เห็นแล้วก็นี่ก็เป็นอาการไม่ใจเราความกรอดถ้าไม่มีรักษาสินงก็ว่าดาแล้วก็บันทีก็อาตี แต่ของอื่นหรือว่าบนตัวเองแต่ว่าเราก็รักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็เราก็ไม่ได้ว่าดา่าก็เราก็แหงความคิดที่ว่าเป็นความกรดมันเกิดขึ้น ความกรอดเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็อดตอนได้อันลักษาสิ่งก็ช่วยกวามอดตอนเป็นขันติให้มากขึ้นแล้วก็วิริยะเป็ความเจริญความเพียร น, นี้ขอ้อมันก็มีพลังก็มากขึ้นแล้วก็แห่งแล้วก็ปัญญามาแจ้ ว่ามันความคิดเป็นอย่างนี้มันเป็นเกิดขึ้นดับไปเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแก้อาการเฉยๆไม่ใช่เป็นพวกเราเป็นผู้โกรธว่าเป็นอาการเป็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นสิ่งที่มันก็ก็เป็นนันิจังนัตตามันก็ทุกข์ก็เห็น แล้วก็ดับทุก็แหนโอกาสที่ดีที่เราก็ก็มันก็มีโอกาสได้ดูได้เห็น ข, ขึ้นเพราะฉะนั้นนี้ก็าการรักษาสิงก็มันมีติกางอุบายให้เราก็ปัฒนาจิตได้ง่าย ตาไม่มีสิ่งก็เราก็เป็นเป็นผู้เป็นตลอดเป็นท่าขมความคิดความเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นขั้นห้าจิตโอปตังขันทั้งห้านี่ก็มนตลอดชีวิตได้ แล้วพวกเราก็เป็นนักปฏิบัติธรรมการรักษาสิ้นแล้วก็เห็นแล้วก็เราก็คือสมาธิได้ง่ายพอผู้ที่เห็นนี่ก็ไม่ได้ติดกรรมมันถ้าติดแล้วก็กั ง, งนวลวยกุมใจจิตพุ้งสร้างคิดนี่คิดนั่นก็มากมาย แค่ว่าเราก็อาลังรักษาศีลแล้วก็มันทำกายวาจาก็ให้เรียบร้อยแล้วก็สมาธิมันก็เกิดขึ้นเองแล้วก็บอกว่าก็ปฏิบัติได้ขึ้นขั้นเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจก็มันเป็นรไายร ลาเอียปราณีมากกว่ากายวาจากายวาจาเราก็คุมตัวได้ง่ายแต่ว่าจิตใจอาจจะยากหน่อยยากมากกว่าคุมกายคุมใจแต่ว่าคนที่การรักษาศีลได้กายวาจาให้เรียบร้อย าะมันเป็นมีสิทธิที่จะให้พัฒนาทางด้านจิตใจได้ง่ายขึ้นมันก็เป็นขั้นตองขัง้นตอนแล้วก็มีสมาธิก็ให้มีจิตใจไม่หงซ้ำใม่ฟูฟูแฝ่แฝ่คนที่นับปฏิบัติก็ต้องเจอ นิบอนตังห้าทางด้านจิตใจามะตันเตกามาลคะรกคะตังห้าเรือรบเสียงอตตะก็เราก็พยายามที่จะสู้กับมัน ชนะกับมันมันความเวทนาที่มัน อ, ร, อร่อยมันก็เจอมันเจเกินจองกรมก็มีได้เสียงไปลเปลาะก็เผลอไปหรือว่าก็อตอนที่มันกินข้าว อ, อร่อยก็เผลอ ไม่ได้ดูตัวากายว่ากายก็เราก็สึกแบบสึกเวตะนามันเป็นไม่ได้ดูเห็นบางทีก็เห็นรูป ส, สวยๆแล้วก็มันก็เผลอไปได้ก็เราก็ต้นมันจิตให้มีสติให้สมาธิ อยู่กับตัวเผลอแล้วก็ให้รู้ระลึกถึงให้อยู่กับปัจจุบันบันทีก็เผลอถึงความคิดอดีตอนาคตให้กลับมากับปัจจุบันไม่ได้เป็นท่าของมัน แล้วก็ปฏิฆะนี่ก็เป็นสิน่งที่ความไม่ไม่ชอบสินน่งนี้สิ่งนั้นได้ยินเสียงก็ไม่ชอบเสียงจากด้านโน้ตเสียงลดเสียงอะไรต่างๆถ้าเราจิตกับสมาธิมากมันเพ่งกับตัวเองมากบางทีก็เสียง นิดนหน่อยหอยก็ก็ทุกข์ใจว่าดาแสดงว่ามันก็สอบตอกมันเสียงก็เป็นเป็นศัก์ว่าเสียงจากด้านนอกเสียงอันที่ก็เสียงดันก้อนอามาก็มีเสียงจากนั้นก็มี แต่ว่า น, นี้ก็ไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอุปสรรคของเราได้ถ้าเราไม่ได้ติดกับมันติดกับสงบถ้าเราอยากสงบก็คิดว่าเสียงมันกับตบกระเทือนเพราะว่ามันทำลายความสงบของเราอันนี้ก็เป็นสอบตกเพราะว่ามันก็เป็นแล้วก็เรื่อง มีปฏิกะมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ธาตุของมันธาตุของอาการแล้วกออ็มันเกิดขึ้นเป็นอาการแล้วก็ให้รู้กลับมามันดูไปเรื่อยแล้วก็มันก็ดับไปได้อันดามารา ก, าก็ดีปฏิกะก็ดี มันก็เราก็มีสติก็ช่วยเหลือให้ดับไปได้ความงาว่งวงเหางนองก็เป็นประสากแเป็ น, นีีบ่อนยัหนึง่งตอนนี้ก็เราก็มันก็พยายามยกม่งสร้างจังหวะดนต้ีจงคมมตก็หายได้มันก็เป็นความจริงความเคยจริง ความเคยจริงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้นละออกไปความเคยจริงเพราะอะไรความง่วงนอนแทบการเกินนี้ก็ก็ง่วงนอนก็เป็นธรรมชาติก็เราก็ทาําการปฏิบัติทุกตลอดวันแล้วก็มันก็ร่างกายก็อยากพักผ่อน ก็ให้พักผ่อนได้แต่ว่าความเงาความเงางวนเห้านอนเป็นกางวันหรือว่าเช้าเช้านอนหลับแล้วก็นอนหลับอ่าพอดีแล้วก็มาแล้วก็มง่วนแสดงว่านี่ก็มันเป็นความง่วนจากความเคยชินเป็ความง่วงตามจิต ใจว่าเป็นก็เป็นเราก็เปลงภาษาแต่ว่านนี้ก็พยายามที่จะปฏิบัติตวิริยะกันติมันช่วยให้ละออกจากความ ง, ง่วนได้เราก็ถ้า ละออกจากนี้ได้แล้วก็ก็ปฏิบัติก็ได้ง่ายมันปฏิบัติหลายชั่วโมงก็เป็นได้เป็นจินความเคยจินที่ดีมันก็เกิดขึ้นมันเป็นนิสัยมันเปลี่ยนเปลี่ยนความอุดตจกจะคุณสร้างคิดคุณสร้าง จิตผู้ผู้ฟ่เฟนี่ก็เป็นนิบรณแล้วก็นี่ก็ออสติก็ช่วยได้มากไปที่นั่นมันจิตสร้งสางไปแล้วก็ให้กลับมาอยู่กับใกล้สารางจังว่าก็ดีเดิจนจองกองก็ดีกลับมาเรื่อยๆกลับมาบ่อยๆ ก็มันก็เป็นนิสัยไม่ได้ไปหุนสร้างไม่ได้แฟงแฝงผู้ผู้ก็เป็นนิสั ย, ส ก, นนสยก็เป็นสมาธิอยู่กับเราอยู่กับตัวยิ่งเราปฏิบัติก็ยิ่งหุนหสร้าง ม, มันน้อยลนแต่ก่อนนี้ก็หุนสร้างไปนี่ไปนั่นเป็นจิตปรนเต็นไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องต่อ ก็มันก็เป็นเบาเบาทุกเล็กๆน้อยๆเวลานิดเดียวก็กลับมาก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตได้มันจิตก็มันก็เป็นสมาธิเป็นตามธรรมชาติเป็นปกติมันได้แล้วก็ รันแดสงสัยวิกิช่ชานี่ก็เป็นนิวรอีกอยานหนึง่งไม่เป็นเราก็ว่า อ, อ่าเป็นปฏิบัติยานี้ก็จะได้ผลจริงหรือเปล่าจะได้เวลานานเท่าไหร่อาจารย์นี้เป็นเชื่อได้หรือเปล่ามันคิดไปคิดไปอันนี้เป็นไม่ใช่เป็น เรื่องของเราเนะี่ยมันความคิดที่เราต้นดูมันมันเป็นความคิดเฉยๆที่ที่มังประสาททำให้เราไม่พัฒนาก็เลยเราก็มันก็เกิดขึ้นมันรันเดสงสัยกิดกเ็เป็นสว่าเป็นความคิดปล่อยไป ให้มีสติปฏิบัติไปกลับมาคือกลับกายเครื่องไว้ก็มันก็หายได้ทันทีัางเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นศัตรูมันเป็นเพื่อนก็คิดไปคิดไปมันเป็นธาตุของความรังใดสงสยัยวิจิกิจฉา ว่าเป็นเมื่อไรน่นจะมีได้ผมแต่คิดไปคิดไปก็คิดก็ไม่ได้ผมเราก็ให้ปฏิบัติกลับมาก็มันได้ผลว่าเป็นอ่ก็เราก็อยู่เป็นปกติเป็นสมาธิได้ดี ก็มันก็เราก็ทำลายนิวองหา้าหลุด อ, ออกจากนิวองหา้าแล้วก็มีสมาธิมันเป็นปกติมันก็มั่งองแต่สมาธินี้ก็ไม่ใช่เพื่อให้มันสมาธิอยู่เฉย มสมาธิก็มีจุดมุ่มหมายที่ทำให้เกิดสัปัญญาสมาธิอา่านดูสึกว่าสบายใจสงบใจแล้วก็มันก็โอกาสที่จะติดกับความสงบติดกับความสบายทางจิตไม่อยากไปไงแล้วก็อยากอยู่ เกี่ยวกับสงบมันก็ติตกับมันมันสมาธิก็ทําให้ให้มีปัญญาเป็นพื้นฐานที่ทําให้เกิดปัญญาจิตสงบได้แล้วก็เราก็รู้แจ้งได้ถ้าจิตไปนี้ไปนู่นหรือว่าจิตเมื่อเมาซึมๆึมก็มันก็แหงก็มันก็ไม่ชัดธรรมะก็ไม่ได้เห็น แล้วก็ติดกับอาคารที่ความสงบแต่อย่างนี้ก็เราก็ไม่ได้เป็นอิสระที่แท้จริงและจิตใจมันก็ให้เห็นเป็นปัญญาให้แจ้งรู้แจ้งว่าเป็นอนิจจังอนัตตานะทุกขงังว่าเป็นอย่างนี้จิตก็ก็ไม่ก้อย อืสมสร้างไปก็เห็นชัดว่าเป็นธรรมะอริยสัจ ส, สีก็ดีมันทุกสมัยตายมีโรษมากมันก็เห็นแจงเก็เป็นอย่างนี้ทุกก็มันก็เกิดเป็นอย่างนี้สาเหตุที่ทําให้เกิดก็เป็นอย่างนี้ดับทุกก็เป็นอย่างนี้มันหนทางที่ทําให้เกิดทุกอาทําทให้ ดับทุกได้นี่ก็เป็นอย่างนี้ก็ดูด้วยตรงแอนแต่มันก็มีธรรมะก็อยู่กับกายใจของเราไม่ตำราไม่ได้เป็นตำรานังนสือตำราที่แทจจ้จริงเป็นชีวิตจริงก็อยู่ที่เรามันจิตใจสมาธิได้ขึ้นแล้วก็มันก็ โดยแล้วก็มันกำตมอกก็อยู่กับกายอยู่กับใจมันก็เห็นแจ้เห็นจริงแป่งหนิจังก็อ้อเป็นทุกขกันทุกทั้งา้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังกาดยิญญยังก็ดีมันก็เกิดขึ้นท่านอยู่ดับไปอ้อ มันประพฤตเจ้าก็ว่าก็เราก็บิสดรู้ด้วยตรงแอนไม่ใช่มาจากหนังสือความจำเราก็เห็นด้วยสัมผัสด้วยมันรู้จริงเพราะนตาก็ใช่เป็นนาคาร หลบก็อาการเบทนาอาการสัญญาก็อาการสังกรรมสังการมบิญญานี kan, ่ก็อาการเฉยๆก็ไม่ใจตัวไม่ใจตมก็เราก็รู้ด้วยตรงแอทุก็เป็นอย่างนี้มันเกิดก็ดับไปมันเกิดหนึ่งทุก เป็นปฏิจจสมปบามันก็เป็นอย่างนี้มันเกิดเป็นเป็นที่พระพุทธเจ้าก็ผู้มาก็เราก็เห็นด้วยตรงแอนได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สัมปัตได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเป็นเรื่องปัญญา ถารูแล้วก็เก็พุทูรู้เพื่อแหนไม่ได้ติดมันเป็นุ ป, ปัตทางก็หายไปตังหางก็หายไปมันเป็นอาการเป็นธรรมชาติเริสุดที่แท้ทจริง แ, แล้วก็ดีรูอแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ลดพ้นได้ หลออกจากโลกโลกนี้เป็นอาการเป็นเป็นนิสัยตั้งหกอาณาจักั้งหนี่ก็เป็นโลกเป็นโลกพร้อมเป็นเป็นแก่อาการมันก็เกิดขึ้นดับไปไม่ใจตัวไม่ใจตอนอติดกับแล้วก็ปฏตามเป็นทุกข์ไม่อุปตางก็ไม่ทุกข์ ก็เป็นอ่าเป็นปัญญาเป็นตางก็ไม่ก่อยจิดกลับมาเป็นอาการเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็เราก็ปฏิบัติดูโอกาสที่ดีที่มาว่ปสว า, า, ส า, าสุกตัวนี้ค่อยได้กิจวัตรค่อยได้ศึกษารักษาสิงสมาธปญญาปญญาิปัญญาปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนติมมักพรนิปามในปัจจุบันนาชาตินี้ทุกท่อนต